Mm hmm. เป็นวันแม่นะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลที่ชวนให้เรานึกถึงบุญคุณของแม่ซึ่งที่จริงก็ควรจะนึกถึงอยู่ทุกวันแต่ว่าบางทีเราก็หลงลืมไปการมีวันที่ชวนให้ลำลึกนะถึงแม่นี้ก็จึงมีความสำคัญหลายคนก็ ได้ทำสิ่งดีๆให้กับแม่ในช่วงนี้เพื่อเป็นการแสดงความรักต่อแม่บางคนก็ได้ใช้ช่วงนี้แหละนะเอ่ยปากบอกรักแม่นะซึ่งคำ ว, ว่ารักแม่นี่ก็มีความหมายมากนะสำหรับคนที่เป็นแม่เมื่อได้ยินจากปากของลูกเนี่ยแล้วก็ตามเนี่ย เราเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าความรักต่อแม่เนี่ยจะรักแม่อย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรารักตัวเองให้เป็นถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นเนี่ยการที่เราจะรักแม่อย่างแท้จริงมันก็เกิดขึ้นได้ยาก และจะว่าไปแล้วทุกวันนี้คนส่วนใหญ่พูดได้ว่ายังไม่ได้รักแม่อย่างแท้จริงก็เพราะว่าเขายังรักตัวเองไม่เป็นอย่างเช่นคนที่หัวแต่เอาสิ่งเสพติดนะใส่เข้าไปในร่างกายทำร้ายตัวเองด้วยการกินเหล้าเมาสุรา อันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเขารักแม่อย่างแท้จริงไม่ได้เพราะว่าเขากําลังทำร้ายจิตใจของแม่ด้วยการทำร้ายสุขภาพของตัวเองกินเหล้าจนเมามายกินเหล้าจนสุขภาพย่าแย่หรือว่าจนไม่เป็นอันทํางานแล้วคนที่เป็นแม่เห็นลูกแบบนี้แล้วนี่ก็เหมือนกับว่า ใจจะขาดหรือว่าอายุก็จะสั้นลงหรือรูปบางคนก็ทําร้ายตัวเองด้วยการหมกมุ่นกับอบายมุขจนเป็นหนี้สินมากมายอันนี้ก็เป็นการทําร้ายตัวเองเหมือนกันก็ทําให้แม่ น, นี่เป็นทุกข์ใจแม่ที่เจอรูปแบบนี้ก็อายุสั้นลงไปสั้นลงไปเรื่อยๆบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้าเมามายหรือว่า ทำร้ายตัวเองด้วยสิ่งเสพติดหรืออาบายามุกนะแต่ว่าเวลาจมอยู่ในความทุกข์เช่นอกหักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นการทำร้ายจิตใจของแม่อีกแบบหนึ่งแม่ก็พลอยทุกข์ด้วยเมื่อเห็นลูกอยู่ในอาการอย่างนั้นโดยที่ลูกก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวเองนี้กำลัง ทำร้ายตัวเองด้วยแล้วก็ทำร้ายจิตใจของแม่การที่จมอยู่ในความทุกข์ด้วยความเพราะสูญเสียหรือรวมไปถึงเพราะโกรธแค้นนะอันนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายตัวเองแบบหนึ่งแล้วก็เลยไปทำร้ายคนที่เรารักด้วย เพราะฉะนั้นถงพูดได้ว่าเรายังไม่สามารถจะรักแม่ได้อย่างแท้จริงถ้าหากว่าเรารักตัวเองไม่เป็นส่วนนี้ใครๆก็บอกว่าฉันรักตัวเองรักตัวเองแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วเราควรส่วนใหญ่ไม่ได้รักตัวเองเลยหรือว่ารักตัวเองไม่เป็น เพราะฉะนั้นจะพูดถึงเรื่องการรักแม่นี่มันก็เลยดูไกลไปอีกทําไมถึงพูดว่าเรารักตัวเองไม่เป็นหรือว่าเราไม่ได้รักตัวเองเลยก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเราส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะทนอยู่กับตัวเองได้ถ้าเรารักใครเราก็อยากจะอยู่กับคนนั้นอยากจะอยู่ใกล้ๆยิ่งนานยิ่งดี เดี๋ว่าแต่ลักคนเลยแม้กระทั่งรักสิ่งของเช่นรถยนต์นะเครื่องเพชรหรือว่าพระเครื่องนะก็จะอยากจะอยู่กับสิ่งนั้นบกมุญ น, นะเอาใจใส่นะคนที่รักพักเครื่องนี่ก็ดูแลหรือว่าดูพักเครื่องทั้งวันมีความสุขเพราะว่าจะอยู่ใกล้แต่ว่าคนที่บอกว่ารักตัวเองเนี่ยจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ เขาทนอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้ถ้าหยุดอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่หรืออยู่คนเดียวเมื่อไหรน่นี้เขาจะมีความทุกข์เขาจะมีความกระสับกระส่ายก็จะมีความ เ, าเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเขาก็จะต้องหาทางที่จะออกไปข้างนอกออกไปพบปะผู้คนที่ทุกวันที่ผู้คนพากันไปเที่ยวห้างในวันหยุดหรือว่า ไปพบปะเพื่อนฝูงหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวว่าแต่วันหยุดเลยวันธรรมดาเลิกเรียนมาก็ต้องโทรศัพท์ถึงเพื่อนละเป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้ก็เพราะว่าเขาทนอยู่กับตัวเองไม่ได้พออยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเหงารู้สึกกระสับกระส่ายบางคนก็หาทางออกด้วยการไปเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมออนไลน์หรือไม่ก็เล่น Facebook เป็นชั่วโมงช่วโมงบางทีเป็นวันก็มีอันนี้เพราะว่าเขาทนอยู่กับตัวเองไม่ไดนะ้พวกเราก็ลองสังเกตดูคนที่มาวัดแล้วก็มาปฏิบัตินะทำไมเวลาเราปฏิบัติโดยที่พอมีข้อห้ามว่าห้ามพูดคุยกับใครต้องปฏิบัติคนเดียวนะทำไมเรารสึกว่ามันช่างเป็นทุกข์เหลือเกิน กระสับกระส่ายอยากจะหางานทำอยากจะไปคุยกับคนมน้นคนนี้นั่นคืออาการของการที่ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ก็พยายามหนีตัวเองหนีตัวเองด้วยการไปทำงานด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปพูดพบปะพูดคุยกับคนด้วยการไปคุกคียิ่งถ้าให้เก็บอารมณ์ด้วยแล้วคืออยู่ในกุฏิคนเดียวด้วยล้นี่ เหมือนก็ติดคุกเลยแม้แต่เวลาไปอยู่รีสอร์ทหรือไปอยู่โรงแรมทั้งทั้งที่มีเสียงอำนวยความสะดวกอย่างดีแต่ถ้าไม่มีโทรทัศน์ในห้องไม่มีโทรศัพท์มือถือข้างตัวแล้วก็ไม่มีคนมาคุยด้วยนะแต่ให้อยู่ในห้องนั้นทั้งวันมันก็กลายเป็นคุกขึ้นมาทันทีทั้งท้งที่มีเสียงอำนวยความสะดวกทุกอย่าง เพราะว่าต้องมาอยู่กับตัวเองไงนั่นคนเรานี่ถ้าหากว่าเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เราจะเรียกว่าเรารักตัวเองได้อย่างไรทําไมเราถึงทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเวลาอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่มันจะเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาในใจมีการทะเลาะถกเถียงกันในใจนั่นมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นอาการที่เเรียกว่าเรา เราไม่ได้รักตัวเองเราไม่ได้เป็นมิตรกับตัวเองเลยอยู่คนเดียวก็เป็นอันเกิดเรื่องนะกระสับกระส่ายขึ้นมาถกเถียงรุมร้อนทะเลาะบอกแววงกันข้างในใจเสียงดังกล้องตลอดเวลาจะหาความสงบไม่ได้เลยถ้าเราเป็นมิตรกับตัวเองเรารักตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเราเองก็ยังมีความสุขมีความสงบแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น พวกเราหลายคนในที่นี้ก็คงจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะคงจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นคือไม่ได้รู้สึกสงบไม่ได้รู้สึกว่าเย็นสบายไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่เหมือนกับเวลาอยู่กับคนคนรักแม่มันช่างหวานชื่นเหลือเกินอยากจะยืดเวลานั้นให้นานแต่ว่าเวลาเหมืนกับสั้นผ่านไปเร็วแต่พออยู่กับตัวเองเมื่อไหร่นี่เวลาห้านาทีนี่มันยาวเป็นชั่วโมง หรือบางทียืดเป็นวันเป็นความรู้สึกนี่เรียกว่าทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ไม่เป็นมิตรกับตัวเองพยายามหนีตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่จะเรียกว่ารักตัวเองไม่ได้นอกจากทนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วบางทีก็ทําร้ายตัวเองด้วยด้วยการเอาอารมณ์ต่างๆเข้ามาอารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าเป็นความโกรธความเศร้าวความเสียใจความเกลียดเนี่ยมันรู้แล้วแต่ทำร้ายจิตใจของตัวเองทั้งนั้นมันเหมนือนไฟที่เผาผลาญใจของตัวแต่เราส่วนใหญ่นี่กลับรักษากลับประคบประ ง, งมเก็บเอาไว้เวลาจะบอกให้อภัยใครเนี่ยเราไม่อยากจะให้อภัยเขาเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งทั้งที่การให้อภัยเนี่ยมันช่วยทาให้เราสงบเจ็น ทำให้เราหายโกรธแต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเก็บความโกรธเอาไว้มากกว่าที่จะให้อภัยบางทีถึงกับพยายามเตือนใจนึกถึงคนที่เราโกรธเรากรเรากลียดเขียนชื่อเขาหรือว่านึกถึงเขาอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะได้เตือนใจไม่ให้ใคลายความโกรธความเกลียดจากเขาหรือคลายความเพียบบาทบางคนนึกก็สลักชื่อเลยนะ หรือว่าทําเป็นเป็นกรอนเอาไว้เพื่อท่องจําเพื่อได้โกรธได้เกลียดเขาไปได้เรื่อยๆบางทีสักเอาไว้นะสักเอาไว้ที่ตามแขนเนี่ยเพื่อจะได้เตือนใจไม่ให้คลายความโกรธความเกลียดอันนี้แหะคือการทําร้ายตัวเองอีกแบบหนึ่งนะเรื่องมันก็แปลกนะ เวลามือเราเนี่ยมันไปโดนไปโดนไฟเนี่ยเปลวไฟหรือโดนของร้อนเนี่ยมือเราไม่ต้องสั่งนะมันจะรีบถอนออกมาจากเปลวไฟนั้นเวลานิ้วเราไปโดนนามแหลมๆเนี่ยมันดึงออกมาเองเพราะว่าร่างกายนี้ต้องการที่จะรักษาตัวให้ปลอดภัย แต่ว่าใจเรานี่เวลาไปเจอความกวดเวลาไปเจอความเกลียดกับผวงกับแหนพยายามรักษาเอาไว้ปล่อยให้มันเาผาผลานใจของเราไปเรื่อยๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งความดันขึ้นจนกระทั่งเป็นโรคโ น, โน้โรคนี้อันนี้จะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรการใดที่เรายังคอยเก็บคอยประกอบประงมไอความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้ เวลาอิจฉาใครเนี่ยก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ร้อนที่ตานีมันร้อนที่ใจด้วยแต่ก็ยังเลือกที่จะอิจฉานะเก็บความอิจฉาหรือว่าสะสมหมักหมมความอิจฉาไว้นะแทนที่จะมองฝึกใจให้มองในแง่ดีเช่นมีมุทิตาจิตกับเขาว่าเออดีนะที่เขาได้ได้มีความสําเร็จดีนะที่เขาได้ขึ้นเงินเดือนนะ ดีนะที่เขาได้โบนัสมากกว่าเราแสดงมุติตาจิตเพราะพอมีพุติตาจิตแล้วในใจมันเย็นนะมีเมตตาขึ้นมาเปล่าเลือกที่จะมองเขาในแง่ร้ายมองเขาในแง่ลบเพื่อที่ได้อิจฉาเข้าไปได้นานๆนี่ก็เป็นการทําร้ายตัวเองคนที่รักตัวเองก็จะไม่ทําอย่างนั้นก็จะหาทางปล่อยหาทางวางหาทาง เอาธรรมะที่ตรงข้ามเนี่ยมามาทำใจให้สงบความเสียใจก็เหมือนกันนะเวลาเราเสียของนะเงินหายมีความเสียใจแทนที่จะรีบสลัดความเสียใจนั้นอย่างคนที่ฉลาดที่คิดว่าเมื่อจะเสียก็ให้เสียอย่างเดียวก็คือเสียแต่ของแต่ว่าใจไม่เสีย ตรงข้ามนี่กับพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ความเสียใจมีอยู่ได้นานๆเอาแต่คิดเอาแต่คุณถึงของเหล่านั้นซึ่งก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าทั้งหมดนี้มันเกิดจากความไปยึดมั่นถือมั่นพอเราไปยึดว่าของอะไรเป็นของเรานี่เราจะกลายเป็นของมันทันทีพอแหวนเพชรหายพลอยหายนี่ ก็เหมือนว่าชีวิตจิตใจหายไปด้วยหรือว่าจริงๆคือปล่อยให้ชีวิตจิตใจหายไปกับเพชรนั้นด้วยก็กลายเป็นคนซึมเศร้าเจ็บป่วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเรากลายเป็นของมันไปนแล้วหรือเราลักมันยิ่งกว่ารักตัวเองบางคนทําของ เ, อเช่นนาฬิกาหรือว่าสร้อยตกน้ําน้ํามันเชี่ยวนะ มันเป็นแก่งที่น้ำเชี่ยวมากพอของตกนี่ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยนะโจลงไปเลยเพื่ออะไรเพื่อไปเอากับคืนไม่ได้คิดถึงชีวิตเลยปอกว่าเป็นยังไงตายตายติดอยู่ในโขดหินใต้น้ำอันนี้เรวาวรักของมากกว่ารักตัวเอง ยอมตัวยอมใจเป็นของของมันโดยความสำคัญปีคิดว่ามันเป็นของเรามีนักศึกษาคนหนึ่งแกไปกินเหล้าจนถึงเที่ยงคืนพอจะกลับบ้านปรากฏว่าอาเจียนก็ไปอาเจียนอยู่ข้างคูน้ำแถวรัชดาในแถวแจ้งวัฒนะปรากฏว่า สร้อยห้อยพระเนี่ยตกลงไปในนั้นก็โจลงไปเลยลงไปเอาเพื่อนห้ามเอาไว้ไม่ฟังเพราะว่าเป็นพักเครื่องนะคงราคาแพงด้วยบอกกัว่าไม่ได้ขึ้นมากเลยในขณะที่มีลมหายใจตายนันนี้เียว่ารักของนะรักสร้อยมากกว่ารักตัวเองแล้วคนเราเป็นอย่างนี้กันใช่ไหม เรารักของมากกว่ารักตัวเองเราถึงยอมทําร้ายตัวเองเวลาของหายเราถึงปล่อยให้ใจมันถูกทิ่มแทงด้วยความเศร้าเสียใจเวลาสูญเสียของนั้นไปแต่ถ้าเรารักตัวเองนี่เราจะพยายามรักษาปกป้องจิตใจของตัวเองเอาไว้ไม่ให้ความรู้สึกแบบนี้นมันมาครอบงำจิตใจหายก็หายแต่ของแต่ว่าฉันไม่ให้ใจฉันทุกข์ด้วยนะเพราะว่าฉันรักตัวเองมากกว่ารักของ แต่คนส่วนใหญ่ตรงข้ามนะรักของมากกว่ารักตัวเองบางคนเสียใจมากนะเมื่อพบกวับความผิดหวังเพบกวับความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นธุรกิจล้มละลายหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินค่าตัวตายเล ย, ยนี้จะเรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่าลเราไม่ได้รักตัวเองกันอเป็นส่วนใหญ่ เพราะเราปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาทิ่มแทงจิตใจโดยที่ไม่พยายามที่จะหาอะไรมารักษาใจเลยบางทีพระก็สอนพ่อแม่ก็บอกนะเออปล่อยวางไปเถอะอย่าไปคิดถึงมันเลยนะก็ไม่นะเอาแต่จมบางคนผิดหวังมากก็เข้าหาเล่าเข้าหายาเสพติดก็เรียกว่าทํำลายตัวเองหนักเข้าไปใหญ่นอกจากจะ ปกเขาปลงงมไอความเศร้าเสียใจความผิดหวังเอาไว้แล้วลนี้ก็ยังทำร้ายร่างกายของตัวเองด้วยซึ่งก็เลยกลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นทั่วหน้าหน่อยทำร้ายตัวเองที่ทำร้ายตัวเองเพราะลึกๆเนี่ยไปเป็นยอมตัวเป็นท่ายของกิเลสตัณหาไปยอมตัวเป็นท่ายกิเลสตัณหาซึ่งทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้น แล้วก็ทําให้เกิดความยึดติดถือมั่นมากขึ้นและความยึดติดถือมั่นนี่แหละที่มันกลับมาทําร้ายตัวเราเองทําร้ายจิตใจของตัวเองบางทีก็ทําร้ายร่างกายด้วยนะมันที่หลายคนบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองจริงๆก็ดูให้ดีนะรักกิเลส ต, ตัวเองมากกว่ารักกิเลส ต, ตัวเองมากกว่าแล้วก็ปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตใจหรือปรุงแต่ง มีนายตำรวจคนหนึ่งเขาเล่ายฟังแม่เขายุ่เก้าสิบแล้วเขาก็อยากจะให้แม่เนี่ยมีสุขภาพดีไปนานๆก็พยายามควบคุมอาหารของแม่แต่แม่นี่เป็นทุกข์มากเลยวันหนึ่งก็เลยขอร้องลูกว่าลูกพะโลแม่ก็ชอบนะข้าวเหนียวมะม่วงแม่ก็ชอบ กะทิมันนี่แม่ก็ชอบให้แม่กินเธอแม่อยู่ไม่กี่วันก็ตายแล้วนะอยู่ได้ไม่นานหรอกลูกก็สงสารนะก็ยอมตามแม่พาโลบ้างหรือว่าขาหมู ก, ก็ให้แม่ไปต่อมาไม่นานก็อยากชวนแม่เข้าวัดนะให้ได้ฟังไปฟังทรรมแล้วก็เจริญมรณสตินะเพราะแม่ก็ก้าสิบแล้ว ได้ปฏิบัติธรรมฝึกจิตฝึกใจไว้บ้างเพื่อเตรียมรับความตายพอไปชวนแม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมแม่บอกโอ้ยแม่ยังอยู่ได้อีกหลายปีเอาไว้บัหลังเถอะนะคือเวลาจะกินของอร่อยก็จะบอกว่าโอ้ยยังอยู่ได้ไม่นานจะตายแล้วพอชวนเข้าวัดนี่โอ้ยอยู่ได้อีกนานดูมีเหตุผลนะแต่กิเลสทั้งนั้นะกิเลสทั้งนั้น ที่พูดกิเลสมันปรุงแต่งเหตุผลให้สวยหรูนะแล้วเนี่คือการทําร้ายตัวเองแบบหนึ่งนะทําร้ายร่างกายตัวเองในการตามใจปากแต่พอจะพาพาให้ได้มาพบธรรมะก็ปฏิเสธนะอย่างนี้ไม่เวลวารักตัวเองนะเพราะว่าแต่เป็นการรักกิเลสมากกว่าก็ไปให้กิเลสมันครอบงำนะทาให้มีพฤติกรรมการกินอาหารที่มันทําร้ายสุขภาพตัวเองมากขึ้น แล้วก็ปิดโอกาสที่ตัวเองเนี่ยจะได้พบธรรมะซึ่งมันจะช่วยทําให้จิตใจสงบเยือกเย็นแล้วก็มีกําลังพร้อมนะที่จะไปะเชิญกับวิกฤตในชีวิตฉะนั้นจึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ตลอดตัวพวกเราหลายคนในที่นี้เนี่ยไม่ได้รักตัวอย่างแท้จริงเมื่อไม่ได้รักตัวออย่างแท้จริงแล้วก็มือพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยก็ยากที่จะ รักแม่ได้อย่างแท้จริงนะเพราะว่าพอปล่อยให้กิเลสครอมงำแล้วเนี่ยก็อย่าทาตามใจ ก, กิเลสเห็นแก่ตัวทําตามหน้าของตัวกูของกูถ้าเกิดว่าแม่พูดไม่ถูกใจนะก็จะโกรธก็จะหงุดหงิดบางทีก็ตวาดใส่แม่เพราะว่าสิ่งที่แม่พูดนั้นบางทีมันไป กระทกระอัตตาของตัวแม้จะถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจคือไม่ถูกใจกินเละก็จะไม่พอใจแม่บางทีก็ จ, จะต่อว่าแม่ซึ่งทําให้แม่นี่เป็นทุกข์ฉันจะเห็นได้ไหมว่าพอเรารักตัวเองไม่เป็นหรือไม่รักตัวเองแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นได้แม้กระทั่งคนที่เรารัก แม่เตือนด้วยความหวังดีก็โกรธนะสะบัดหน้าอันนี้เพราะอะเพราะว่ามันไปกระทบกับอัตตากระทบกับกิเลสหรือว่าไม่ไม่ถูกใจกิเลสขัดขวางกิเลสบางคนเนี่ยเขาจะน้อยใจแม่หรือว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีกับแม่อาจจะรวนถึงพ่อด้วยว่าแม่พูดไม่ดีกับเขาแม่ ต่อว่าเขาแม่ใช้อารมณ์กับเขาเขาจะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีของแม่หรืออาจะบอกว่าแม่ไม่เป็นธรรมกับพี่น้องคนอื่นกับลูกคนอื่นนี่นะทำดีแต่ว่ากับตัวเองนี่แม่ไม่ไม่ทาดีด้วยหรือว่าไม่ดีเท่าพี่น้องในบ้านก็จะรู้สึกโกรธ ไม่พอใจน้อยใจโดยที่เขาอาจจะไม่ได้นึกหรือมองให้กว้างเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของเขานี่แม่ได้ทำดีกับเขามานับไม่ท่วนสมมติว่าทำดีสักหมื่นครั้งแต่บางช่วงบางขณะแม่เผลอนะใช้อารมณ์กับลูกเพียงแค่ครั้งสองครั้งลูกก็จะจาแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ดีที่แม่พลั้งเผลอเอาไว้ จำแม่นเลยนะว่าแม่เคยตะคอกเขาแม่เคยด่าว่าเขาแล้วก็จําไว้เนี่ยไอ้ส่วนความดีอีกเก้าพันะเก้าร้อก้สิบเก้าครั้งที่เคยทํานี่ไม่สนใจหรือว่ามองข้ามไปแล้วก็เลยเก็บความไม่สบายใจหรือเก็บความทุกเก็บความน้อยเนื้อต่ําใจเอาไว้ ก็ทําให้ความรักแม่มันเป็นความรักแม่ที่ไม่สามารถจะอ่าสแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามีมีตะกอนในใจมีบาดแผลในใจ ท, ทั้งทั้งที่ความผิดพลาความพลังเปลืยของแม่นั้นก็น้อยมากเมื่อเทียบความดีของท่านที่ได้ทํากับตัวเราเอาไว้ทําไมถึงเลือกจำไอ้สิ่งที่ไม่ดี แล้วก็มองข้ามสิ่งดีๆของแม่ไปก็เพราะอัตตาเนี่ยเองอัตตาของตัวเราเวลาแม่ทำดีกับเราเราก็ก็รับรู้จนรับรู้จนชินนะก็ทำดีจกนกระทั่งตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็เลยรู้สึกชินขึ้นมาไม่ได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่แต่พอแม่ใช้อารมณ์แม่ใช้คาพูดที่หยาบคายกับเราด้วยความพรังเพลด้วยความที่อดกลั้น ด้วยความบันดาลโทษะเราจำเอาไว้เพราะมันไปกระแทกอัตาเราเมื่อกระแทกตาก็เลยเกิดความกรัวเกิดความเจ็บช้ําก็เลยไม่สามารถจะรักแม้ได้เต็มหัวใจอันนี้แหละลองพิจารณาดูไอการที่ไปไปคิดเช่นนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนมาจากการที่เราไม่ได้รักตัวเองแท้จริงคือเราเป็นรักกี่เลยเราเป็นรักอัตตามากกว่า แล้ถ้าเราลอกตัวเองแท้จริงเราก็จะไม่ไม่เก็บไอ้ความรู้สึกแย่ๆนี่เอาไว้เพราะว่ามันเป็นหนามที่คอยทิ่มแทงเอาคนที่รักตัวเองเนี่ยเวลามีเสี้ยนต่ําเท้าก็จะไม่เก็บเอาไว้ก็จะพยายามดึงออกเพราะว่าถ้ามันต่ำอยู่เรื่อยๆนี่มันก็จะเรือหลังนะการที่ดึงออกก็เจ็บดูสักพักแต่ก็หายแต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเก็บ รักษาห่วงแหนเอเซียนนั้นเอาไว้หรือเพราะที่เป็นเสียนที่มาจากความพลั้งเผือปิดพลาดของแม่หรือพ่อนะก็เลยทำให้มีความทุกขนะ์อยู่ตลอดเวลาคิดถึงนะเมื่อคิดถึงแล้วก็คนเราพอมีความทุกข์แล้วนะมันก็จะระบายใส่คนอื่นโดยเฉาะคนใกล้ตัวโดยเพราะคนที่เราเชื่อเป็นของตาย แม่นี่ก็เป็นของตายนะคือเรารู้ว่าระบายใสยเท่าไหร่แม่ก็ทนได้เราจะไม่ระบายบคนที่ไม่ใช่ของตายเช่นคนที่ไกลตัวเช่นเจ้านายหรือว่าเพื่อนที่เพิ่งรู้จักนะหรือคนที่ไกลตัวออกไปเราไม่ทําอย่างนั้นหรอกแต่กับคนที่เป็นของตายเนี่ยที่เขาจะทนกับเราได้ทุกโอกาสทุกเวลานี่เราก็จะระบายใส่เขาได้ง่ายขึ้นวันนี้ก็ใส่กับภรรยามที่ก็ใส่กับสามีที่เราคิดว่า เขาทนเราได้คนที่ใกล้ชิดที่สุดที่ดีกับเราที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าต้องเป็นฝ่ายที่รองรับความทุกข์จากเราควเราเขาคนเราเวลาทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ร ะ, ะบายใส่คนหาทางระบายใส่คนหรือสิ่งที่ใกล้ตัวล้วนที่สะดวกที่สุดมังคนก็ระบายกับหมานะด่าหมาเตะหมาเพราะว่าล้วหมามันไม่ทําอะไรนะแต่ถ้าไม่มีหม า, แ ต, มมาแต่มีแม่ก็เอาเหมือนกัน เพราะว่าแม่เรารู้อยู่ว่าแม่นิทนกับเราเสมออันนี้ก็เป็นเพราะว่าคนเราพอมีความทุกข์แล้วมันก็พร้อมจะทําอย่างนั้นได้กับใครก็ตามที่ทําได้สบายๆแต่ถ้าเรารักตัวเองแท้จริงเราจะไม่ปล่อยให้ความทุกข์เรานี้ ม, นมันทิ่มแทงหรือว่าเผาลนจิตใจหรือครอบงาใจเราจะหาทางป้องกันไม่ให้มันครอบงาใจหรือถ้าเผลอปล่อยให้มัน เข้ามาทิ่มแทงใจแล้วก็พยายามที่จะถอนมันออกไปไอ้ที่เคยแบบเคยยึดเอาไว้ก็จะวางแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะวางไม่คิดที่จะปล่อยกลับเก็บเอาเอาไวนะ้แล้วสุดท้ายก็ไประบายใส่คนอื่นระบายใส่คนที่เรารักนะถึงบอกว่าถ้าเราลักตัวเองไม่เป็นหรือเราไม่ได้รักตัวเองจริงๆเราก็จะลักคนอื่นหรือลักแม่ไม่ได้อย่างแท้จริง เพราถ้าเราอยากจะรักแม่อย่างแท้จริงไม่ทำความทุให้กับแม่เราต้องกลับมารักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นพยายามเรียนรู้ที่จะเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขที่จะได้อยู่กับตัวเองและเวลามีความทุกข์ครอบงำใจก็จะพยายามปล่อยพยายามวางให้เร็วที่สุดโกรธใครก็จะพยายามไม่ให้โกรธข้ามวัน พอรู้ว่าโทษของความกลัวมันเป็นยังไงใครมาแนะนำให้อภัยจะขอบคุณเขาเพราะว่าเรารู้ว่าการให้อภัยนี่มันเป็นของดีไม่ใช่ดีกับคนที่เขาทำร้ายเราแต่ดีกับตัวเราเองมองคนไปตั้งแง่ว่าฉันจะให้อภัยเขาได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่ยอมรับผิดฉันจะให้อภัยได้ยังไงในเมื่อมันเลวอย่างนี้ก็เราไม่ได้ภัยเพื่อเขาเนี่าภัยเพื่อตัวเราเอง เราให้ภัยเพื่อแม่ของเราเพื่อคนที่เราลักเพราะว่าถ้าเราเจ็บช้ำน้าใจมีความแค้นเราก็จะระบายความแค้นนั้นใส่แม่ของเราหรือคนที่ใกล้ตัวหรือมีเช่นนั้นถึงเราไม่ระบายเราเก็บเอาไว้กดเอาไว้แม่ก็เป็นทุกข์ที่เราเห็นเรามีความทุกข์อย่างนั้นก็เป็นการทําร้ายแม่อีกแบบหนึ่งเป็นการทําร้ายทางอ้อมแม่จะไม่เจตนาก็ตาม ให้เราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้ได้ให้การปฏิบัติธรรมนี่แหละมันก็คือวิธีทางของการที่จะทาให้เราเนี่อรักตัวเองได้อย่างแท้จริงเริ่มต้นโดยการที่หันมารู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยเพราะความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะคนอื่น แต่มันเป็นเพราะเราไปยินยอมหรือว่าไปซ้ำเติมคนอื่นก็อาจจะขโมยรถเราไปเขาอาจจะขโมยเงินเราไปขโมยโทรศัพท์มือถือไปแต่เขาไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้คนที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้มีคนเดียวคือตัวเราหรือใจที่วางไว้ไม่ถูกผู้เจ้าตัดว่าโจรทำร้ายโจรด้วยกันก็ ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับจิต ท, ที่วางไว้ผิดจิต ท, ที่วางไว้ผิดเนี่ยนะมันก่อความเสียหายให้กับเรายิ่งกว่าโจรทํากับโจรด้วยกนนันไม่มีใครที่จะทําให้เราทุกข์ได้มากเท่ากับตัวเราเองหรือผู้ที่ถูกต้องคือจิต ท, ที่วางไว้ผิดจิต ท, ที่ไม่รักตัวเองนั่นเองแต่ถ้าวางไว้ถูกจิตวางไว้ถูก รักตัวเองเป็นก็จะไม่ยอมให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำหรือถึงเข้ามาครอบงำก็หาทางปากเป่ามันออกไปด้วยด้วยธรรมะด้วยเมตตากรุณาด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสปัปัญญาด้วยความรู้สึกตัวในทมองในทางตรงข้ามนะความดีที่พ่อแม่ทำให้กับเราเนี่ยก็ไม่เท่ากับการที่จิตวางไว้ถูก เพราะถ้าจิตวางไว้ถูกแล้วเนี่ยเราจะได้รับสิ่งดีงามต่างๆมากมายที่แม้กระั่พ่อแม่ซึ่งรักเราก็ไม่สามารถทําให้ได้สูงสือ ค, คือนิพพานก็คือความพ้นทุกข์พ่อแม่รักเราแค่ไหนก็ทําให้เราไม่ได้แต่ว่าจิตที่วางไว้ถูกนั้นทําได้เังนนถ้ารักตัวอย่างแท้จริงนี่ต้องหันกลับมาหันกลับมาดูแลจิตใจของตัวหันมาฝึกฝนจิตใจของตัวให้ดีให้มีเครื่อง รักษาจิตที่เข้มแข็งมั่นคงคือมีสติแล้วก็ธรรมะข้ออื่นๆด้วยเช่นความอดทนขันติธรรมสมาธิความรู้สึกตัวสัะชัญญะแล้วก็ต้องพยายามที่ทจะทาใจให้สว่างเพื่อที่เกิดปัญญาปัญญานี้ช่วยป้องกันทุกข์ได้ดีที่สุดใครจะขโมยของเราใครจะเราจะสูญเสียยังไงใครจะหักหลังเรานอกใจเรา เราก็ยังเป็นปกติได้พรอมีปัญญารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองไม่ไปเก็บเอาการกระทำของคนอื่นเนี่ยมาทิมแทงจิตใจขราอะไรต่อไปคือไม่แบกไม่ยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องในโอกาสวันแม่นี้ก็ก็ขอให้เราได้ตระหนักนะว่าถ้าเราอยากจะรักแม่อย่างแท้จริงนี้ต้องกลับมารักตัวเองให้ได้รักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้ได้อย่าง งแท้จริงนั่นแหละถึงจะเป็นการที่นำไปสู่ความรักแม่อย่างบริสุทธิ์แท้จริงอล่ะชาวนี้ก็พูดกับท่านนี้